ถ้าแต่ละคนก็ดูหน้าตานะเรียนหลักไว้เยอะแล้วคือถ้าถ้าหลักแม่นนะการภาวนาไม่ยากอะหลักแม่นแล้วก็ขยันภาวนาแค่นั้นแหละแต่ถ้าหลักไม่แม่นนะอย่าเพิ่งขยันเืเดินออกนอกรู้นอกทางไปหลวงพ่อกล้ายืนยันอย่างนะสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยตรงกับที่ครูบาอาจารย์สอนมา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 ในปอดยังไงก็มีลมไม่มีลมไม่ได้หรอกนะเนี่ยหายใจออกนิดนึงก็อย่างดีถ้าหายใจเข้าสบายๆไม่ไปดัดแปลงจิตนี่ยพอลมมันละเอียดนะลมมันสั้นสั้นๆใช่จะอยู่ที่จมูกนิดเดียวเนทะ่านั้นหรือบางคนตั้งฐานลมไว้ที่ใดที่หนึ่งนะเหมือนลมกระทบอยู่ที่เดียว น, ะนั่นเองเสร็จแล้วลมมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นแสงสว่าง ใ จ, ใจมันสว่างขึ้นมานะ้วเลยรู้สึกว่าเป็นดวงสว่างขึ้นมาแรกก็สว่างกว้างๆไม่มีขอบมีเข็นนะรู้สึกสว่างบางทีก็ไหววุบบ้าบุบบ้ า, บาจิตยังไม่สงบจริงแต่มาพอจิตสงบขึ้นนนะดวงนี้มันค่อยเด่นขึ้นนะแสงสว่างแสงมันเข้มขึ้นคล้ายๆแสงที่กระจายๆนะค่อรวมตัวเข้ามานะพออยู่กับแสงนี้แล้วแสงนี้เล็กก็ได้นะใหญ่ก็ได้พนะอชานานขึ้นมา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 มีปีติขึ้นมามีสติรู้ทันปีติที่เกิดขึ้นพอสติรู้ทันปีติที่เกิดขึ้นปีติจะดับจิตจะมีความสุขเกิดขึ้นความสุขนั้นมันประณีตกว่าปีติปีติมันวือหวาพอมีปีติขึ้นมามีสติรู้ทันปีติดับไปเกิดความสุขขึ้นมามีสติรู้ทันความสุขไปความสุขดับไปเกิดอุเบกขาขึ้นามานีา่ pakai. จิตมันเดินไปตามลาดับชนัน ยังมีปีติอยู่ก็เป็นชนันปฐมชาต น, นะก็มีปีติดับไปนะมีความสุขขึ้นมานะในความสุขเนี้ยมันเด่นอยู่ในชาติที่สามนะในชาตที่สองเนี้ยตัวที่เด่นขึ้นมาคือตัวผู้รู้เด่นขึ้นมะาในปริยัติก็มีแต่นักปริยัติอ่านแล้วไม่เข้าใจหรอกนะในชาตที่สองท่านจะพูดเรื่องเอโกทิภาวะเวลาเรียนอภิธรรมอะ่ะยังเก็ตไหมจะไปไล่องค์ชาตใช่ไหม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 เดินวิปัสสนาในฌานเลยนะอย่างได้เอโกที่ภาวาขึ้นมาแล้วเห็นปีติปิติเกิดแล้วดับไป<ฤ>ตัวนี้เดินปัญญาในฌานนะทำวิปัสสนาในฌานนะเห็นองค์ฌานนั้นดับไปมีความสุขเกิดขึ้นมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่นะนะทำฌานอยูนะ่ความสุขก็ดับไป เ, นะเกิดแล้วดับให้ดนะูนี่แหละเดินปัญญานะจิตเข้ามาเป็นอุเบกขา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 มีอีก60รูปได้อภิญญาหกอภิญญาหกเช่นอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้มีที่ผโสตมีที่พจักสุระลึกชาติได้อะไรได้แล้วก็ตัวที่6คือล้างกิเลสได้เนี่ยคนที่จะมีฤทธิ์ต่างๆเนี่ยคือพวกเล่นสมาธิอีกพวกหนึ่งนะอีก60รูปได้เป็นอุพโตภาคได้ทั้งสมาธิได้ได้ทั้งปัญญา